มาทูลให้พระพุทธองค์เนี่ยอสเดปรินิพพา น, นธรรมชาติของมานี่ก็ชอบขัดขวางการทำความดีหรือว่าการบรรลุธรรมมานี่ก็มาหลังความพระุเจ้าตั้งแต่ก่อนที่จ ะ, ะตัดสรุขัดขวางไม่สำเร็จ ก็ยังพยายามที่จขัดขวางไมใ่ให้พระองค์เนี่ยได้เผยแผ่สแสดงธรรมก็มาทูลมิ ม, มนให้พระเจ้าเสด็จปรินิพนธ์พระองค์ก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่าพระองค์จะเสด็จปรินิพนา์ก็ต่อเมื่อ มีเงื่อนไขสี่ประการก็คือว่าเมื่อพิสุิธิุนี อ, อุบาสิ ก, กาได้ศึกษาธรรมเป็นพะ่ะหูสูย ก, กล้านในธรรมและนอกจากนั้นก็ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมประพฤติตามธรรม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 คำสอนของพระองค์ก็สามารถที่จะชี้จแจงได้อาตาใดที่ภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิ ก, กายังไม่สามารถจะอ่ายังไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้พระองค์ก็จะยังไม่เสด็จไปนิพพานาทั้ง4ประการที่พระพุทธองค์ได ตัดตอบมานี่สำคัญนะเพราะว่ามันเป็นการบ่งชี้เห็นว่าชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นบนรรพชีหรือเพิรหัสเนี่ยควรมีหน้าที่อย่างไรควรประพฤติตนอย่างไรนะโดยพหน้าที่ที่มีต่อพระธรรมคำสอนหน้าที่ที่มีต่อศาสนา มานเนี่ยนะก็ยอมนะยอมแพ้นะเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสต่อไปอย่างนั้นจนกระทั่ง 45,000 ดาพผ่านไปมารก็มาทูลใ น, นหม่อมให้พุทธเจ้าเสด็จประนิพ น, นิพานแล้วก็อ้างว่านเนี่ย พิสุก็ดีพิสุนีก็ดีอุบาสุอุบาสิกาก็ดีตอนนี้ได้มีคุณสมบัติสีประการแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็เรียกว่าจำนวนต่อเหตุผลของมาร<ม>ก็เลยปร o l อายุสังคาร อันนี้เราก็คงพอทราบดีนะว่าพระองค์งประองคอยุอออสังขารสมเดือนก่อนที่จะเสร็จปณิพันา์ตามเรื่องก็เพราะว่ามีมามามาทวงสัญญานี่พระองค์ก็เห็นว่าภาษาศาสนาก็มั่นคงแล้วอุบาสกอุบาสิกาลมทั้งพิษุพิษุณีก็เรียกว่าได้ศึกษาปฏิบัติธรรมมีความสามารถในการแสดงธรรม แล้วก็สามารถที่จะกล่าวแก้ผู้ที่่วงจากโจมตีพระธรรมได้ก็เลยยอมที่จะปรงอายุสังขารอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่พึงพิจรารณาามากนะสำหรับพวกเราซึ่งถือว่าเป็นชาวพุทธอันที่พระองค์ตัดตอบมาเนี่ย ก็แสดงเห็นถึงความคาดหวังที่พระเจ้าทรงมีต่อชาวพุทธทั้งมวลทั้งปรรพชชนและ ค, คือว่าเมื่อเป็นชาวพุทธแล้วก็ต้องเป็นผู้ฝ่รู้ฝ่ายศึกษาธรรมท่า น, นใช้คว่าหูสูตรทีเดียวยหูสูตรคือผู้ที่รู้มากรู้มากในเรื่องธรรมะรู้รอบ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 เกิดผลประจกกักษ์แตัวเองแล้วนะความทุกข์บรรเทาบาบางหรือว่าเป็นอิสระจากความทุกข์แล้วนะก็ยังไม่พอนะต้องเอผยแร่แสดงแจกแจงธรรมมาให้กับผู้นี้เข้าใจได้ด้วยแล้วถ้าใครมาโจมตีช่วงจา ก, ก็สามารถที่จะชี้แจงแลทัทธิที่โจมตีช่วงจาในช ใช่คำว่าปรับภาวะซึ่งรวมถึงการความคิดความเชื่อที่หักล้างส่วนทางกับคำสอนของพุทธเจ้าเพื่อที่ทำให้คนเกิดสัมมาเกิดมิจฉาทิฏฐิเช่นบอกว่านิพพานไม่มีปุญกุศลไม่มีบาปบุญไม่มีอันนี้ก็ถือเป็นปรัปภาวาะอย่างหนึ่งซึ่งก็ต้องชี้แจง ไม่ได้หมายถึงเฉพาะการโจมตีช่วงจา่าเท่านั้นไอ้สองส่วนหลังเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งนะของชาวพุทธไอ้ทั้งสีประการนี้จะแยกออกมาก็าจะจัดกลุ่มแล้วก็มีก็คือทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านหน้าที่ของชาวพุทธในเรื่องของประโยชน์ตนก็คือว่าศึกษาธรรมให้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติธรรม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 จะเป็นคารวา์ก็ทำตั้งแต่กับลูกกับหลานกับคนใกล้ตัวหรือถ้ามีความสามารถก็เผยแผ่ให้มันกว้างออกไปจะเป็นครูบาอาจารย์หรือไม่ก็ตามและถ้ามีการกลรับช่วงจาบโจมตีก็ชี้แจงอธิบายไม่ต้องไปต่อลอดต่อเทียงกับเขาไม่ต้องไป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 ตอบโต้ด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจบางครั้งก็นิ่งเงียบบางครั้งก็อธิบายอันไหนที่อธิบายแล้วเขาไม่ฟังท่งานก็เงียบไปก่อนนะเพื่อให้ความจริงมันปรากฏอย่างผู้ที่ส่ลา ย, ายผู้ตุจา ว, ว่าทาให้ผู้หญิงท้องหรือว่าไปฆ่าผู้หญิงตายพระองค์ก็ไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องอธิบาย พอพูดไปเขาก็ไม่ฟังพระองค์ก็นิ่งเงียบแต่ก็ไม่หนีไม่ไปจนกระทั่งความจริงก็ปรากฏในเวลาต่อมาว่าพระองค์ถูกใส่ลายแต่ถ้าเป็นการความเห็นแย้งที่จงจากหรือว่าก่อให้เกิดพิจาทิฐิขึ้นมาพระองค์ก็อธิบายนี่นก็เป็นแบบอย่างของพวกเราชาวพุทธในการรักษา ปกป้องพระพุทธศาสนาแล้วก็ปกป้องไม่ใช่ด้วยการไปต่อว่าด่าทอคนที่เห็นต่างหรือแม้กระทั่งคนที่โจมตีจ่วงจ่าจะ ก, ก็ชี้แจงด้วยเหตุด้วยผลไอ้ท่าทีที่ไม่โกรธท่าทีที่ประกอบไปด้วยเมตตามันก็เป็นการแสดงธรรมสื่อธรรมอย่างหนึ่งการแสดงธรรมมันไม่แสดงด้วยคำพูด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 และที่จิมก็เกื่อกูลกันนะเมื่อเราบำเพ็ญประโยชน์ท่านมันก็เป็นการขัดเกลาฝึกฝนตนลดละความเหยียตัวไปด้วยรวมทั้งฝึกความอดทนด้วยเวลาต้องเจอกับอุอปสรรคเจอกับปัญหาเจอกับถ้อยคำที่ก้าวราวของผู้คนไอที่พูดมาให้สังเกตนะว่าเรื่องการ ทำบุญเรื่องการสร้างวาัดสร้างวานี้นะมันไม่ใช่เป็นหน้าที่หลักนะของชาวพุทธตามที่พระพุทธเจ้าได้จัดมานะพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สําคัญก็สําคัญนะเรื่องวัดวาอารามเรื่องศาสนาสถานศาสนาวัตถนะุแต่สิ่งสําคัญกว่าหรือสิ่งสําคัญเป็นเบื้องแรกเลยก็คือการทําให้ธรรมะเ ก, กิดขึ้นในใจเรา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 ก็ทำเต็มทนะีแต่ว่าไม่ค่อยควรขวายเรื่องการศึกษาทําให้เข้าใจเวลาพระจะแสดงธรรมก็ไม่ฟังสมัยที่ตะมมาไปอยู่วัดอมารวดีประเทศอังกฤษสาวอาทิตย์นี้ก็จะมีคนไทยเนี่ยมาทำบุญถวายถวายเพนกันคับขั่งเลยอธิวัฒน์อมารวดีตอนบ่ายก็จะมีการแสดงธรรม บางทีหลวงพ่อสุมเมทก็แสดงธรรมเองเลยแต่ว่าปรากฏว่าพอาถึงตอนบ่ายคนไทยก็ค่อยๆหายไปมาถวายเพลนอย่างเดียวแต่พอพระจะแสดงธรรมก็หายแล้วนะคงเหลือแต่พวกฝรังนะ่งฝรั่งนี่ไม่ค่อยมาถวายเพลนเท่าไหร่นะจะเขาตั้งใจมาฟังธรรมมากเลยเวลามีจัดคอร์สปฏิบัติธรรมก็มีแต่ฝรั่งมา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 แล้วก็เอาเงินของคนอื่นนั่นแหละมาทําบุญเมื่อเอาเงินคนมาทําบุญด้วยการกู้ยืมแล้วก็ควรจ่ายนะแต่ถ้าตรงใจไม่จ่ายจงใจที่จ ะ, ะบาบเบี่ยงหรือชักดาบนี่ก็ถือว่าไม่ได้บุญนะบางทีได้บาปด้วยซ้ําเพราะว่ามันก็เข้าข่ายอธินาทานอย่างหนึง่งคือเอาเงินเข้ามาแล้วไม่จ่ายไม่คืน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 ใจที่ปราถนาดีรวมทั้งความผ่องใสเมื่อได้ทำบุญถวายทานด้วยถ้าบางคนทำนะแม้จะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าจิตใจก็ไม่มีความเรื่มใสเลือด จ, จะเรื่มใสมีศรัทธาแต่ทำไปแล้วก็พบว่าเงินที่ตัวเองถวายนั้นเนี่ยมันน้อยกว่าเงินที่คนอื่นถวาย จิตใจก็เศร้าหมองรู้สึกว่าเราได้บุญน้อยกว่าเขาหรือว่าเขาได้บุญมากกว่าเราอพอจิตใจเศร้าหมองปุ๊บนี่บุญนี่มันหล่นหายไปเยอะเลยเพราะว่าการทําบุญที่ถูกต้องเนี่ยอยู่ที่ใจตั้งแต่เริ่มก่อนที่จะทําบุญละก่อนที่จะทําจิตใจก็มีความเลื่อมใสระหว่างที่ทําก็มีทำด้วยจิตศรัทธาทําเสร็จก็พองใสเบิกบาน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 เพราะว่าไม่ได้เป็นผูดถวายภาพด้วยตัวเองแต่ให้สามีถวายแค่คิดนี่จิตใจก็เศร้าหมองแล้วพอเศร้าหมองนี้บุญก็ล่วงไหลไปพอสมควรแล้วที่จริงถ้าเข้าใจศึกษาถ้าศึกษาทําเข้าใจก็จะพบว่าบุญมันเกิดขึ้นได้ตั้งแต่การคิดแล้วตั้งแต่คิดที่จะถวายแล้วถึงแม้ไม่ได้ถวายด้วยตัวเองไม่ได้ถวายด้วยมือของตัวเองนะ มันก็ได้บุญแล้วแล้วถ้าเขาศึกษาทมแล้วเข้าใจก็จะก็จะรู้ว่าให้การให้ทาน น, นก็เป็นเพียงแค่การบำเพ็ญธรรมขั้นต้นยังมีศีลยังมีภาวนาที่ต้องที่ควรกระทาด้วยการรักษาศีนนะแล้วก็การภาวนาให้เกิดสติสัพพัญญะเจริญสติเพื่อให้ รู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจแต่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการทำกิจการงา น, งานต่างๆรวนทั้งในอเรียบท่างๆอันนี้ก็เป็นการประพฤติ ธ, ธรรมที่สำคัญมากการเจริญสตินก็เป็นหัวใจของกรรมฐานแบบพุทธกรรมฐานสมาธิภาวนา น, นี่มันมีหลายแบบหลายหลายศาสนา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 ในการแม้จะเป็นพ่อค้าแม้จะเป็นแม่ค้าก็รักษาศีล5ให้ได้ในครบถ้วนนี่ก็เป็นการทำหน้าที่ของชาวพุทธอย่างหนึ่งคือเป็นการรักษาธรรมให้เกิดขึ้นในใจเมื่อรักษาศีลแล้วก็ไม่ลืมการภาวนาไม่ว่าจะเป็นจเจริญเมตตาภาวนา โดยเรามรณาสติภาวนาหรือว่าสติปัฏฐานสี่ก็รุ่นสําคัญแต่ก็อย่างที่บอกไว้แล้วว่าเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเป็นหัวใจกระมฐ า, านที่เราไม่ควรมองข้ามาชีวิตนี้ยังมีลมหายใจอยู่แล้วก็ไม่ปล่อยเวลาผ่านไปโย่ใช้เวลาที่มีอยู่ในการเจริญสติไม่ว่าในระหว่างที่อยู่วัดหรือว่าอยู่นอกวัดในระหว่าง ทำกิจการงานต่างๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่สำคัญหรือไม่สำคัญเช่นอาบน้ำถูฟันหรือว่าขับรถอันนี้ก็เราก็ไม่ลืมที่จะมีสติรู้กายรู้ใจรู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นความคิดที่ผุดขึ้นมาในการที่เราเห็นอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นในใจ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นการเห็นธรรมได้เหมือนกันนะมันถ้าเรามีสตินะไม่ลืมกายไม่ลืมใจเวลาความปวดเกิดขึ้นในใจเวลาความเจ็บความปวดเกิดขึ้นที่กายนะเราก็มีสติรู้ดูมันเห็นมันอันนี้ก็ถ้าเราเห็นธรรมที่เกิดขึ้นภายในควาว่าธรรมนี่นะมันมีความหมายกว้างทุกอย่างที่เราเห็นด้วยสติด้วยใจ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 มันเข้าทางหนึ่งมันก็จะออกไปอีกทางหนึ่งนะอารมณ์ความคิดความรู้สึกของเราก็เช่นเดียวกันที่จริงจะรู้เป็นของเราก็ไม่ได้เพราะถ้ามีสติดูก็รู้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นสักแต่ว่าธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อมีเหตุนิมติตใจเมื่อรู้ว่าเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเอารมณทั้งหลายความคิดทั้งปวงเนี่ยนะแล้วก็เท่ากับว่าทามันเราก็ได้เห็นธรรม การเห็นธรรมนี่เห็นทั้งเห็นจากภายในหรือก็เห็นภายนอกก็ได้นะเห็นธรรมภายในคือเห็นความผิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจนิวรณ์ทั้งหลายนะแม้มันจะเป็นฝ่ายวุศนก็เป็นธรรมะได้เหมือนกันนะความงงเหงาหอนอนความพยาบาทความฟุ้งซ่านพวกนี้ล้วนแตเป็นธรรมที่สามารถจะเปิดใจเราให้เห็นความจริงโดยเฉพาะในเรื่องใจลัก อันนี้จังทุกครั้งนัตาเห็นนอกถ้าเราเห็นเป็นนะเห็นยังมีสติยังมีปัญญาก็เห็นธรรมได้เหมือนกันธรรมที่เกิดขึ้นจากภายนอกก็สามารถปรากฏแก่เราได้พระภิกษุบางท่านในสายปัสการท่านก็บรรลุธรรมจากการที่เห็นดอกบัวที่เคยแต่งตูมบานเสร็จ แ, แล้วก็ร่วงโรย ท่าอ น, นิจจังเนี่ยจากอาการของดอกบัวเป็นอ น, นิจจังจงากใบไม้ที่มันปิดใบไม้แห้งที่มันปิดลงจับขั่วคนธรรมดาเห็นก็รู้สึกเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าถ้าคนที่มีปัญญาเห็นปุ๊บอนิจจังทุกครั้งอนัตตาก็ปรากฏแก่ใจไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาแม้กระทั่งเหตุร้ายนะ มันก็สามารถจะสอนทำแสดงทำให้กับเราได้นะพวกเราชาวผู้ต้องฉลาดนะในการที่จะเห็นธรรมจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นกับเราไม่ว่าธรรมดาหรือไม่ธรรมดาไม่ว่าดีหรือร้ายหรือพอเวลาเกิดอะไรร้ายๆขึ้นมาเนี่ยนะมันสอนทำได้อย่างดีเลยนะอยู่ที่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ทุบประทมโกรธแค้นหรือว่าขาดทุน นะแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแม่จะเสียทรัพย์นะเสียอย่างอื่นไปแต่ว่าก็ได้ธรรมะเป็นกำไรเมื่อปี5้าสีก็มีน้ำท่วมใหญ่นะพวกเราก็ารู้ดีบางคนก็เจอด้วยตัวเองอผู้คนมากมายนะสูญเสียทรัพย์สินไปที่สิ้นเนื้อประดาตัวก็ไม่น้อย แต่ว่าส่วนใหญ่ทําใจไม่ได้เศร้าโศกเสียใจยเครียดล้มป่วยก็เยอะที่ฆ่าตัวตายก็ไม่น้อยแต่ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาก็าบอกว่าให้น้ําท่วมนี่มันก็สอนทําให้กับเขานะเขาก็สูญเสียไปเยอะนะแต่เขาก็พบ ว, ว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันได้บอกกับเขาว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของ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 พอตะหนัถึงความไม่เที่ยงอันนี้ก็เราเห็นทํนะได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองมีฝรั่งคนหนึ่งเขาเดินอยู่กำลังจูงหมานะตอนนั้นเป็นตอนเช้าอากาศกำลังดีเดินจูงหมาเล่นดูดีๆก็มีพียงคนหนึ่งพุ่งเข้ามาชนข้างหลังผักเขาล้มลง แล้วก็เอามีดสปาต้าจ้วงแทงเขาตามลำตัวตามแขนหน้าอก40แผลนะเสร็จแล้วก็หนีไปปล่อยให้เขาหนุ่มนอนจมกองเลือดตอนที่เขาถูกชนนี่ก็นึกว่าเพื่อนแกล้งแล้วก็นึกไม่ถึงว่า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 ผู้หงคนนั้นฆ่าคนโดยที่ไม่ได้โกรธแค้นเป็นส่วนตัวแล้วก็ทำร้ายโดยที่ไม่ได้รู้จักหรือว่าเป็นใครก็มีนักข่าวไปถามเขาว่าจะจะบอกผู้หญิงคนนั้นอย่าจะพูดแต่ละผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าแท น, นที่เขาจะโกรธแท น, นที่เขาจะโมโหนะพยาบาทเพียงคน้นเขากลับบอกอยถามผู้หญิงว่าทําไมถึงทํากับผมอย่างนี้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 ชีวิต น, นี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเลยอาจะสามารถจะตายวันนี้วันพรุ่งก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะต้องทำสิ่งที่ดีสุดในวันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่เขาได้ได้เรียนรู้นะจากเหตุกร้ายที่เกิดขึ้นแล้วคนส่วนใหญ่เวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะถ้าไม่โกรธอ่า คนที่มาทำลายตัวเองก็จะต่อว่าชะตากรรมว่าทำไมถึงเป็นฉันฉันทำอะไรหรือถึงต้องมาเจอเรื่องสวยๆแบบนี้บางคนจะ น, น า, ากว่ามจะตัดเพ้อแล้วก็ทุกข์ระทมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าผู้ชายคนที่เขากลับได้ง่ายคิดนะ จากเหตุลายก็คือมันสอนให้เขาเนี่ยไม่ประมาทกับชีวิตมันสอนเขาว่าเนี่ยวันนี้เนี่ยคือวันที่ดีที่วันที่ควรทำสิ่งที่ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้อันนี้ก็ถือว่าเขาได้เห็นธรรมนะเห็นธรรมจากเหตุลายที่เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าได้กำไรถึงแม้จะเจ็บตัวถึงแม้ต้องนอนป่วยโรงพยา บ, บาลแต่มาทำให้เขา เห็นถึงความสําคัญของการไม่ประมาทซึ่งก็เป็นเรื่องที่ครูจันได้ฝากเอาไว้เป็นปจชิมโอวา่วาก่อนที่จะเสร็จปริิธานท่านทั้งหลายต้งทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถอะทำไมถึงต้องไม่ประมาทก็เพราะว่าสังขารมันไม่เที่ยงไงเพราะว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ไม่ต้อง หวงว่าจะไม่มีวันพรุ่งนี้มีวันนี้ก็จะมีวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีวันบรรลือนนี้แล้วก็จะมีต่อๆไปแต่เพราะสังขารไม่เที่ยงก็จึงประมาทไม่ได้วางใจไม่ได้ว่าจะมีวันพรุ่งนี้หรือแม้แต่จะมีเชา้านี้จะมีบ่ายนี้ด้วยซ้าอันนี้ก็เป็นธรรมนะนะเพื่อเอัประมาทธรรม เหตุการณ์นี้ก็ทําให้ผู้ชายคนนี้ได้สติแล้วว่าจะต้องทําวันนี้ดีที่สุดคําว่าสติกับความไม่ประมาทนี้ก็ที่จริงก็อันเดียวกันนะความไม่ประมาต ก, ก็ทําให้เราไม่ลหลงไหลเพลิดเพลินในความสุขที่มีหรือทําให้เราไม่เพลิดเพลินในในการงานที่หมกมุ่นตัวลืมตัว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 เห็นทำได้ตั้งจากความรู้สึกนึกคิดหรือว่าความเจ็บความปวดหรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจกับหรือกายและเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นก็สามารถจะเห็นทำจากสิ่งที่เกิดขึ้นได้บางคนต้องสูญเสียหนักๆนะต้องสูญเสียคนรักสูญเสียลูกสูญเสียพ่อแม่นะถึงจะเห็นทำ แต่ก็ยังถือว่าคุ้มเพราะว่าไอาการเห็นนั้นสําคัญมากอย่างนางกีสาโคต้องมีนางปจัจจราก็สูญเสียสําคัญมากสูญเสียคนรักสูญเสียลูกนะนางปจัจจราสูญเสียลูกไม่พอสูญเสียพ่อแม่สูญเสียสามีจนแทบจะเป็นบ้าทั้งคู่แต่ว่าในสุด ก, ก็เห็นทำจากสิ่งที่เกิดขึ้น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 จนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นป้ารันทั้งสองท่านทั้งนางกีสาวกตมีแล้วก็นางปตัจราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดในการเห็นธรรมจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นดีไปได้อันนี้ก็ถือว่าเป็ น, เ ป, นเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะปฏิบัติธรรมโดยสมควรแกร่ธรรมนะก็ไปปฏิบัติธรรมจากชีวิตจริงนั่นแหละ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 อันนั้นสำคัญอยู่นะแต่ว่าถ้าหาผู้คนเราแต่สร้างวัดสร้างพระแต่ว่าตนไม่ได้ศึกษาทําให้ปฏิบัติธรรมและธรรมะที่จะสืบทอดไปได้อย่างไรสมรรมะไม่สามารถจะสืบทอดไปได้ด้วยปิดด้วยปูนแต่ว่าสืบทอดด้วยใจและด้วยชีวิตของแต่ละคนอาราชานี้ก็พูดกันเท่านี้